Copyright g o e l a g München Book <two. S 1> คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึง่งอจินคนอสูบดีฉันหยาดีฉันและคุณ ยาและทเราทั้งสองมืออบวยเขายอนเขาและเธอยนอยานเขาทั้งสองยนนอบวยผู้ชาย ผู้ผู้หญิงหญิงเด็กดครอบครัวครอบครัวของดิฉันมายาแซมยาครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ มายาชัมยทุตดิฉันอยู่ที่นี่ยาทุตคุณอยู่ที่นี่ทิทุตเขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่ยนทุตอิยนาทุตเราอยู่ที่นี่ ไม่ถูกคุณอยู่ที่นี่ไม่ถูพวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่อย่านิ้วเสียถูก